ค่ะจะมื้อกี่ด้านก็ผ่านได้ช่วงศาสนาในใจกําลังได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่เข้าใจง่ายในเวลาที่จํากัดเนี่ยแต่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันและทําให้ท่านโล่งโปร่งขึ้นไปเยอะเลยจากที่เคยอึดอัดและหาคำตอบไม่ได้จากที่ใดก็แล้วแต่ติดตามชมรายการนี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะและโดยเฉพาะช่วงศาสนาในใจจะมีหลักศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามให้ท่านได้ลองคิดทบทวนตามไป อย่างผู้มีเหตุมีผลแล้วก็มีสติปัญญาเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขวันนี้เราก็จะคุยกันอีกค่ะกราบขอเมตตาจากพระอาจารย์คึกฤทธิศสดทิพโรที่วัดนาป่าพงนะคะว่าการไม่เนรทาไม่ว่าร้ายพูดงงานไม่ติชินไม่กล่าวร้ายใครเนี่ยจะทำให้ชีวิตเป็นสุขได้จริงหรือแล้วเราเนี่ยจะทาอย่างนั้นได้ไหมคือเป็นคนที่ไม่เ น, นทาไม่ว่าร้าย ติชินใครทั้งสิ้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างไงล่ะถ้าเผื่อในชีวิตที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเคยติชินนินทาว่าร้ายใครมาลับบ้างแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะคะข อ, อนุญาตการกับเรียนถามไอ้การนินทาว่าร้ายติชินเนี่ยคะ่ะ เ, เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามีหลักคําสอนระบุไว้ชัดเจนห่ะใช่ใช่ เ, เป็นข้อห้ามเลยเหรอคะ เ, ออเป็นหลักธรรมที่บอกว่าไม่ไม่ควรทําไม่ควรทำ หรืออย่างที่พระ อ, องค์บอกว่าอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายอย่างนี้นะหรือว่าลักษณะของสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจอรสอเสียดอย่างนี้น ะ, น, ะนะการพูดให้เขาแตกแยกกันอันนี้ก็ไม่ดีนะห ร, หรือในมงคล38แข้อแรกเลยก็ดีใช่ไหมคอ่ า, อาใช่เพราะ<ช>นั้นตรงนี้เนี่ยพระเจ้าจะตัดไปค่อนข้างเยอะหรือวาจาที่ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าว ติเตียนได้ก็คือคนคนนั้นเนี่ยพูดคนแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตานะถ้ามีหลักการพูดอย่างนี้ใช่หลักการพูดเอยดเชียอย่างที่จะหาได้ที่ไหนคะท่ก็ในจากพระโอษร์อีกเช่นกันอริสัตจากพระโอษร์อริยสัต์จากพระใช่ในหนังสือพุทธวจนะมีไหมคะมีอยู่ของพิวัติดาวปภังธรรมก็มีอยู่ใช่เกี่ยวกับหลักการพูดใช่คือถ้าเรายึดหลัก ทั้งห้าประการเมื่อกี้นี้ว่าไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายหรือว่าการไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกค่ะทำยาทำยาเพิร์เจอร์เพิร์เจอร์ส่อเสียดส่อเสียดก็ได้สี่สี่สี่ข้อเนี่ยอ่าเรียกว่าสัมมาวจารสัมมาวจาไม่พูดโกหกนี่มันก็ยากแล้วไม่พูดเพิร์เจอร์นี่ยิ่งยากใหญ่เลยแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดนี่ก็แม้มันเคยทําแล้วเนี่ยฮ แล้วก็ไม่พูดอะไรกันคำหยาบคำหยาบคำหยาบที่ยังพอได้ว่าไม่พูดแต่ไอ้สามข้อเนี่ยค่ะมันหลุดออกมาอยู่บ่อยๆอย่างนี้จะทำยังไงตูวสอนเสียดนี่ยอยากให้อ่าทราบโดยนวยะของพระองค์ว่าคำพูดสอเสียดเนี่ยจะหมายถึงคำพูดที่ยุยงให้เขาแตกกันอ้าวแล้วอย่างเวลาเขาเปิดเวทีพูดกันให้เสียดแทงกันอย่างนี้อันนี้จะไปจัดอยู่ในกลุ่มของคำหยาบ คำหยาบด้วยคำเพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อด้วยและเอาเรื่องไม่จริงมาพูดกันใช่ใหรือจริงบ้างแต่พูดเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ขยายไปเยอะอ่าฮะใช่อันนั้นจะเป็นคำพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อใช่เรียกว่าคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่อ้างอิงอาไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โอ้โหทำไมถึงมารู้ช้าไปล่ะคะเขาเกิดกันหลายเดือนหลายปีกันมาแล้วเนี่ยจนเกิดกันถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้ามาใช่หลักธรรมของพุทธเจ้าออกมาขึ้นป้ายกันเลยใช่ที่วัดนี้ทำไหมคะขึ้นป้ายเลยว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือย่างไรแล้วก็ ไม่พูดสอเสียดคืออยางไรไม่พูดหยาบไม่พูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียคืออย่างไร อ, อย่างนี้นะค ะ, ะเราจะได้ใส่เสื้อสีเดียวกันใช่ไหมทีนี้เรื่องของวาจาการนินทาว่าร้ายเนี่ยค่ะนินทานเนี่ยในพุทธพจน์เคยสอนไว้ไหมคะว่าควรจะมีหรือไม่ควรมีอย่างไรไม่ควรมีลยู่แต่แต่คนในโลกเนี่ยที่จะไม่ถูกนินทานเนี่ยพระเจ้าบอกไม่มีหรอก นั่นสิคาเรายังเคยมีคํากลอนอสอนใจกันว่าแม่องค์พระปฏิมา ย, ยันราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินท า, าผู้เจ้าจะบอกว่าคนไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกแม้แต่ผู้นั่งนิ่งไม่พูดอะไรเลยก็ยังถูกนินทาได้ใ ช, ใช่และตัวผู้เจ้าเองก็ยังถูกนินทาได้เหมือนกันนั้นก็ให้มองเป็นธรรมดาคนที่คิดน <c oughs> ินทาเขาเนี่ย <c oughs> มันเกิดจากแรงอะไรขึ้นมาแล้วการ น, นินทาเนี่ยไม่เป็นกุศลใช่ไหมคะไม่เป็นกุศลจริงๆเป็นเหตุให้เขาไปสู่อาบายด้วยซ้ําแค่พูดนินทาเนี่เหรอคะใช่ถ้าทํามากจเจริญมากเสดมากเป็นปกติโอ้นะสัมมาวาจาเนี่ยสี่ข้อเนี่ยโกหกคําหยาเพื่อเชื่อส่อเสดเนี่ยทําเป็นปกติเนี่ยเป็นไปเพื่ อ, อนรกกับเนริชานหรือเปรตที่ใส่เ น, นีนะ่ย ไม่น่าถ้านะทำบ่อยๆเนี่<ช>ไปเกิดในนรกช่เปรตเดรฉาน<ช>วิสัยเลยาานั้นเรื่องวาจาเรื่องกายเนี่ยก็มีความสำคัญมากที่จะต้องคุมให้บริสุทธิคนะ์คนมีกายกรรมคตวาจีกรรมคตผู้หญ้าบอกว่าอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคดไปด้วย<อ>นะก็คือจะเป็นสัตว์เดรฉานประเภทงูตะขาบมแมลงป่อง ปไปอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ทำไ ม, มทำไมต้องเลือกลงไปเป็นขั้นสัตว์เลี้ยงครานเหรอคะอืมเพราะว่าผู้เจ้าจะพูดถึงว่าอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาเจะคดไปเหมือนกับกายวาจาที่เขาโคตรไปไม่ตรงไปไม่ตรงหลีกเกี้ยวไปมาอย่างนี้โอ้โหตายหวัดเสียวจังเลย<ม><ม>เนี่ยพลาด น, นิดเดียว ต้องพลาดทีๆีด้วยใช่ไหมคะพลาดสม่เสมอพลาดสมมเสมอเป็นปกติถ้าพลาดแล้วระลึกรู้ตัวได้แล้วหักห้ามพันได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ใช่ๆช่สำรวมระวังต่อไปก็ยังพ้นอันนั้นได้ก็แสดงว่าการนินทาว่าร้ายนี่มีโทษทั้งนั้นมีโทษใช่มีโทษทั้งสิ้นใช่เป็นอกุศลที่ต้องรีบทิ้งรีบละแล้วอยากกลับเรียนถามว่ากับบางครั้งเราได้ยินมา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราหยุดแค่เราหรือเราแค่พูดต่อไปเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยมันจะบาปมากกว่ากาน้อยก็ต้องใช้หลักที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพูดต่อไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่ากุศลมันจะเจริญไหมหรือว่ากุศลมันจะเจริญแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยค่ะออืไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อก็หยุดซะดีกว่าหยุดดีกว่า ผู้เจ้าให้ใช้โยนิสโสมานสิการก่อ น, คอนใครครวนก่อนใครครุนก่อนใช่แล้วจึงทำใช่พระองค์ตรัสว่าโคโซปรลโตโยนิโสมานสิการฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นมาแล้วเนี่ยให้เธอโยนิโสมานสิการน้อมไปเพื่อเห็นตามที่เป็นจริงซะก่อนโอโ เราก็จะไม่ตกเป็นทาสของโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆแล้วเราก็ไปเชื่อเขาแล้วเราก็เดียวไม่ต้องไปตามดาราบางคนแล้วเราก็คิดว่าจะสวยอย่างเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้โหโคโซอะไรนะคะโคโซปรโตค่ะแล้วก็ให้โยนิโสมานัสการโคโซปารโตยนิโซมานัสการสักแต่ว่าฟังมาแล้วใช่ก็เอาไปไข้ควรตรวจสอบดูซะก่อนดูอาใช่แล้วจึงเชื่อแล้วจึงซื้ออื แล้วจึงพูดต่อแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะมันแวบมาสิบห้าวินาทีสามสิบวินาที uh huh. มันก็โดนใจเข้าไปแล้ว uh huh. อันนั้นก็ถือว่าเป็นโพโสปรโัปรโตมันใช่ใชแต่ว่าไม่ได้โยโสมนสิกาใช่เรียกว่าอาโยนิโสมนสิกานอาโยนิโสไปซะแล้วแล้วก็ควักสตังจ่ายซะแล้ว uh huh. ทีนี้นี่แค่โฆษณาชวนเชื่อแวบๆมาถ้าได้ยินกับหู uh huh. ที่เขาพูดบอกต่อกันมาอ๋อก็ให้ใช้หลักอันนี้มีมอีก ไม่มีหลักหนึ่งเรียกว่าหลักสัจจานุรักษน า, าสัจจานุรักษน า, าใช่รักษาคือรักษาการรักษาไว้ซึ่งสัจจะความจรงิงความจริงจะถูกรักษาไว้ได้อย่างไรผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> ด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้ก็คือคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคิดสั้นๆแค่นี้อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า ไม่ใช่ว่าที่รู้มาฟังมาเห็นมาเนี่ยจริงเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่ไม่แน่จับหลักความคิดตรงนี้เอาไว้นะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนะอย่างอื่นอาจจะถูกต้องกว่าก็ได้ไม่แน่อย่างี้แล้วในครั้งพุทธการมีไหมคะออในครั้งพุทธการก็มีมีจอมเทพมาถามพระศัสดาว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยพวกยักษ์หน้าคนทนนันนาสูนมนุษย์เทวดาเนี่ยต้ท ะ, ทะเลาะ บ่อแว่งกันหมดเลยลบลาข่าฟันกันมันมีเหตุมาจากอะไรพระศาสดาตอบว่าดูก่อนจอมเทพอิศาและมัจฉริยะเป็นเหตุของการทะเลาะ บ, บ่อแวง่งอิศาก็คืออิจฉามัจฉริย ะ, ค, ะคือความตรนีความอิจฉากับความตรณีเนี่ยเป็นเหตุให้คนทะเลาะกัน<ม>นะทีนี้จอมเทพก็สงสัยต่อว่าแล้วไออิจฉาและตรนีเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับครูเจ้าบอกว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รัก เรารักอะไรเราไม่รักอะไรไม่พอใจอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดอิจฉาตะหนีแล้วจะทะเลาะกันละความรักนี่ก็เกิดการทะเลาะกันได้นะว่าเมื่อเรารักแล้วเนี่ยจะเกิดความตันหนีจะเกิดการหวงกันและจะมีเรื่องร้อนเกิดจากการหวงกันก็คือตนหนีแล้วล่ะใช่ใช่เพราะตนหนีเนี่ยเราใช่เป็นของตัวแล้วเราจะหวงใครจะมาแย่งมาอะไรไม่ได้นะพอมาถูกแย่งหรือของสิ่งที่เราหวงเสียหายไปเราจะเกิดความไม่พอใจคเนี่ย และกอิจฉานะคะการอิจฉาก็ทําให้เกิดการพยาบาทเบียดเบียนกันอิจฉานี่คือไม่อยากเขาดีกว่าเราใช่ใช่ก็จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันใช่แกล้งกันละเพราะความรักนี่เองที่ทําให้มนุษย์คนน่าใช่อสุรทั้งหลายทะเลาะเบาะแว้งกันใช่แล้วถ้าจะหยุดตรงนี้ล่ะคะถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหานั้นถ้าจะไม่เกิดเนี่ยเวลา เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วเนี่ยพระศาสดาให้รีบปล่อยวางอารมณ์นั้นให้ไวที่สุดที่ว่าโยนิโสมานาสิกาใช่แล้วให้กลับมาอยู่อุเบกขาอุเบกขาใช่หรือกลับมาอยู่กลมหายใจโอ้ต้องสามระยะเลยสิคะใช่พโยนิโสมคือดึงเข้ามาสู่ใจเราก่อนทวนไตรตรองก่อนแล้วอุเบกขาวางเลยใช่แล้วก็เข้าลมหายใจคือตัดเลยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอีกใช่ทั้งสามระดับใช่เนี่ย ไม่ทำให้ได้ในขณะนั้นเลยโอ้โหมันก็เป็นการไม่ง่ายนักสาหรับคนที่ไม่เคยฝึกหรือไม่เคยใช่จริงต้องมีการฝึกใช่แล้วท่านในครอบครัวล่ะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดเล่นพ่อแม่พูดเล่นกับลูกพ่อแกล้งแม่ให้ลูกเห็นหรือพ่อต่อว่าแม่ให้ลูกเห็นแม่ต่อว่าลูกต่อว่าพ่อให้ลูกเห็นเนี่ยเป็นการหยอกล้อโดยไม่คิดว่า สิ่งเหล่านั้นเด็กจะเอาไปเติบโตทำความคิดแล้วก็ต่อไปจะถึงขั้นอนินทาหรือว่าร้ายกันอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไปโทษแม่ก็สิแม่ก็เป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยนะคะอือย่างนี้เนี่ยการหยอกล้อล้อเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุได้หรือเปล่าคะเป็นเหตุได้อยู่มันทําให้เหมือนกับว่าอ่ามีภาษาที่ที่ไม่ดีเนี่ยอ่าซึมซับเข้าไปในภาษาของเด็ก ตั้งแต่แรกต แ, ต, แรกตั้งแต่ยังมีความหมดจดบริสุทธิ์ใช่เพราะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีกับเขาใช่พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องการกลองมากเลยนะคะาาใช่สักแต่ว่าให้ตามอารมณ์ไม่ได้อีกแล้วนะคะาาใช่นั้นบางทีเยวาวชนเราเติบโตขึ้นมาไม่ดีเนี่ยมันก็เหตุปัจจัยหลายอย่างตัวพ่อแม่ด้วยตัวครูอาจารย์ที่โรงเรียนด้วยตัวเพื่อนด้วยสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วย ตนะันนี้พระอาจารย์กำลังมองเห็นปัญหาสังคมยังไงที่น่าห่วงที่สุดคะอืมก็คือ阿拉คิดว่าเรามีเรามีธรรมะในสังคมน้อย น, นะสื่อต่างๆที่สื่อออกมาเป็นธรรมะมีน้อยค่ะสื่อธรรมะบางทีมีเหมือนกันแต่บางทีก็ออกไปอยู่ในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดูหลือเลือกแล้วอ่าใช่ใช่ไหมค่ะอ่าจริงๆ ร, รัฐบาลต้องเห็น เห็นประโยชน์ตรงนี้เป็นสำคัญเป็นสำคัญและต้องให้เวลานะตรงนี้ถ้าคนมีธรรมะเนี่ยมันจะเป็นการรักษาเศรษฐกิ จ, จกของประเทศได้เป็นอย่างมากมเพราะเมื่อคนไม่มีธรรมะเนี่ยคนไปดื่มเหล้าเมายาคนไปปล้นฆ่านะสังคมเนี่ยสูญเสียมากมายมหาศาลปีนึงเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านติดยาเสพติดใช่ใชติดการพนันอีสติดเอช <า S 1> อ <า S 2> ี แต่ถ้ารัฐบาลเห็นและรู้ปัญหารู้วิธีแก้ทุ่มให้กับสื่อนะเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาเพื่อคำสอนที่ถูกต้องะนะอ่อความบกพร่องในสังคมหรือความผิดพลาดความชั่วร้ายในสังคมมันจะหมดไปในเวลาอันรวดเร็วนะแต่ยังไม่เห็นมีรัฐบาลไหนกล้าะจะลงมือทำอย่างนี้ใช่นนใช่เราเสียงงบประมาณไปด้านอื่นจริงๆเนี่ยเป็น ร้อยล้านพันล้านเราเนี่ยตัดเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยจริงๆได้ประโยชน์มหาศาลาและเป็นเป็นความเจริญที่ยั่งยืนด้วยในช่วงใกล้ฤดู ก, การเลือก <c oughs> ตั้งด้วยแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราจะเลือกคนที่โดยไม่ต้องอนินทาว่าร้ายกล่าวร้ายกันแล้วเลือกคนที่หมดจดบริสุทธิ์ที่สุดที่เพื่อให้กุศ ล, ลกรรมของเราเจริญก้าวหน้าเพื่อส่งผลไปถึงสังคมและบ้านเมืองได้เนี่ย ก็เป็นโอกาสของเราและค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โยนิสโสมนัสิการก่อนแล้วก็อุเบขาแล้วก็อยู่กับลมหายใจของเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่กากระบาทเบอร์นั้นเลยนี่แอบเอาการเมืองเข้าไปแซๆด้วยแล้วคงไม่ผิดนะคะคงไม่ได้บอกเบอร์ไหนเลยสาธุคุณพระอาจารย์ค่ะ